بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين ولعدوان ا إلا على الظالمين و ص ل ي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونينا آ ي ا ي سبعة สิบนึ่งจากอายุสี่สอ็ดสี่สิบหนึ่งเนี่ยจะมีบทเรียนค่อนข้างสำคัญสิบหนึ่งจากสงครมบาตุเป็นการอธิบายเรื่องภูมิศาสตร์ของสองครมบาตุถ้าไม่มีบทเรียน ในการเล่าประวัติศาสตร์คือระหว่างประวัติศาสตร์กับภูมิศาสตร์เนี่ยมันก็มีขอ้อผูกพันแต่การที่กุอานจะได้อธิบายความอริยในความผูกพันระหว่างประวัติศาสตร์กับภูมิศาสตร์ดังที่ผมจะอธิบายให้พี่น้องได้เห็น ประวัสาสตร์เท่ากับเวลาภูมิศาสตร์เท่ากับสถานที่จ aman แล้วก็มกักการ aman คือเวลาสถานที่คือมกักการและสองมิตินี้แหละที่มันจะสร้างเหตุการณ์เหตุการณ์มันต้องมีเวลาแล้วก็ต้องมี สถานที่เราเราจะเห็นหรือจะมองมิติของกุอ่านในการที่จะพูดถึงเรื่องทางนำรูปกุอ่านนี่เป็นคำพิเอยทางนำก็จะคุ้นเคยกับกัน ที่จะอธิบายเรื่องความจริงสัจธรรมโต้โต้เถียงกับความเท็จทำลายตร ก, กะของของความไม่เป็นจริงนี่คือนี่คือทำนองของอัลกุรอานแต่การที่จะเห็นกุรอานได้พูดถึงเรื่องสถานที่และเวลา แ ล, และจะนำมาซึ่งบทเรียนจากสถานที่และเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับสาหรับคนที่ไม่เห็นความสำคัญของสอ ง, สองเรื่องนี้เรื่องเวลาและก็สถานที่ซึ่งเป็นสองอย่างที่อยู่ในในเดชานุภาพและการกําหนดของอัลลอฮุ س ب ح น ن ه และ ت ع ا ل นรานม ไม่ค่อยเห็นภาพดูนาฬิกาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลับช่วงนี้พรารถมันติดรถเยอะทาบขืนลงช่วงนี้ข้ามถนนโดนรถชนยุ่งอันนี้เราคำนวณเรื่องสถานที่และก็เวลาตามฮะตามตามข้อมูลตามด a ต a ้าที่เรามีอยู่ ก็ไม่ลงสมมตไม่ลงห้าโมงห้าโมงนี่ยรถติดไม่ลงลงช้าหน่อยไปหน่อยักสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเริ่มรถมันเริ่มซาละเริ่มน้อยลถนนก็ลงโละไม่มีไม่มีความเสี่ยงลงช่วงนั้นโดนรถชน มีมาแบบนี้โอ้ยเยีแะแยะเลมีเหยอแยแล้วก็ไอ้คนไอ้คนที่ลงในช่วงที่รถมันเยอะที่มันน่าเสี่ยงมากกนะันนะก็ไม่ไม่ไม่ถูกชนไอ้คนที่เดินบนฟุตบาทเขาระวังไงเดินบนฟุตบาทเป็นคนระวังเป็นคนมีวินัยน่าจะไม่ถูกชนหนระ <c oughs> อก็โดนกันเพียบเลยบนฟุตบาทนี่แหละ ตายคาที่บนพุทธบาทนี่แหละแล้วลก็ไอที่เสียงที่ไม่มีวินัยเลยแล้วก็ชอบข้ามถนนไม่ใช่เส้นม้าลายข้ามถนนช่วงไฟเขียวมีไหมนี่แล้วก็ดนชนไหมก็ไม่ดนชนนั่นไม่ใช่หมายรวมว่าเรากําลังให้เหตุผลว่าเราไม่ต้องมีวินยัยวินัยมันไม่มีประโยชน์นะเราคงไม่เข้าใจแบบนั้นแต่ที่มัน ที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะสำหรับสำหรับผู้ศรัทธานะเพราะบทเรียนนี้คนที่ไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้าไม่ได้ศรัทธาในเรื่องขอบ๊อและกรดันี่ก็ก็คงจะไม่ได้บทเรียนสิ่งสิ่งที่ผู้ศรัทธานี่จะได้จากการเปรียบเทียบระหว่างสองสถานการณ์ที่มันมีเรื่องเวลาแล้วก็สถานที่ที่เราให้ความสําคัญ ในเรื่อง d a ต a ข้อมูลอันที่จะกำหนดการเคลื่อนไหวของเรานั้นมันไม่ได้เป็นที่สุดของอ่ของของผลผลคำนวณคำนวณเท่าไรแค่ไหนอ่ในในข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันมีอะไรที่เหนือวิสัยมันเหนือการวางแผนของเราที่เราเรียกว่าพระประสงค์ของรัฐสภาเรา นี่มนนี่มันเรื่องเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นในทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องลงจากบ้านไปซื้อนมให้ลูกซื้อน้ำลงจากบ้านไปไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ที่เซเว่นหรือไปทางานกลับมาจากทางานหรือแม้กระทั่งโครงการใหญ่โตการที่เรา คำนวณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโครงการใหญ่ในชีวิตเช่นการแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่จะสร้างบ้านใหม่จะทำจ ะ, จะทำธุรกิจใหจะเปิดร้านใหม่เปิดบริษัทอะไรแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เราวางแผนอย่างละเอียดนะเผื่อไว้อะไรหลายอย่างแต่การคํานวณของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่สุดของ ของความประสงค์ความต้องการของเรามันก็มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดถ้าในกิจวัตรหรือในในการเคลื่อนไหวของมนุษย์ทางโลกทางโลกที่ไม่เกี่ยวกับศาสนามันเป็นเช่นนั้นแล้วการเคลื่อนไหวของเราด้านศาสนา ก, ก็เช่นเดียวกันเราเนี่ย อาจจะวางแผนด้านด้านศาสนาโดยที่คาดคิดว่าไอ้ทางเนี้ยมันมันดีที่สุดแล้วคิดว่ามันมีผลละบุญดีที่สุดดีที่สุดแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จในทางนั้นไปได้ทางอื่นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดแต่ปรากฏว่าทางอื่นที่เราไม่ได้วางแผนนั้นน่ะมันอาจจะเป็นทาง ที่ดีกว่าคั้งนั้นที่เป็นทางที่เราอาจจะมองว่ามันผลบุญเทียบแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะเท่าเทียบกับผลบุญที่เราคาดคิดในโครงการที่เราวางแผนไว้เช่นวางแผนจะลงไปละหมาดที่มสัสยิดพรากฏว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบ้านก็เสียถ่อ น, น้าอะไรสักอย่างเสียไ ม, ไม่ต้องไปละหมาดก็มานั่งซ่อม อะไรที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดต้องละหมาดที่บา้านสมมติพอเราเทียบแล้วเรามองว่าไอเหตุาการณ์นี้มันเป็นการเสียโอกาสทำความดีชัดชัดใช่ไหมชัดชัดเลยพอที่เอละหมาดที่บ้านกับละหมาดที่มัสยิดอันไหนมีผลลบุญมากกว่าในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วอ AH ัลลอฮฺกำหนดให้มันเกิดขึ้น โดยที่มันเกินการคาดการวางแผนของเราปัจจัยหรือตัวโลกตัวเลขที่เราเอามาคำนวณบั้นปลายของการเลื่อนไหวของเราไม่จะันเป็นเสมอที่เราจะต้องให้คะแนนกับแผนของเราว่ามันดีที่สุดแล้ว และที่เราพาดมานัน่ะแสดงว่าเราเสียโอกาสซึ่งจะนำมาความเสียใจความเศร้าโศกมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นดันั้นท่านนาบีสลัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมไม่ให้เราเอื้องกำลังใจกำโอกาสที่พลาด แม้ว่าโอกาสนั้นเราได้เรเราได้หวังดีนะเราได้หวังดีวางแผนดีประสงค์ที่จะทำอะไรที่มันดีที่สุดที่มันมีประโยชน์สูงสุดของศาสนาก็ตามแลบีบก็่าอย่าไปเปลืองกาลังใจกับเรื่องที่มันพลาดไปว่านัากินเลือคุลจะให้กล่าว่า ก็ดรามัวมาแช่ฟ้าอัลลอฮ์กำหนดแล้วและสิ่งที่พระองค์ประสงค์พระองค์ก็ทำก็ดาตดดไตักดีแล้วอัลลอฮ์กหนดแล้วว่ามาชฟลมาชสิ่งแมชิ่งสิ่งช่สิ่งที่พระองค์ประสงค์ ف พระองค์ก็ทา พระองค์ก็ทำแต่ไมให้ดีนะประโยคนี้เพราะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวข้องกับอาะ42คนเนี่ยว่ามาชาอลในดวอาของท่านนบีบทหนึ่งท่านนบีก็มักจะตอกย้าประโยคนี้มาชาอัลลอฮฺกวาม่ลียมคุณอาลมอลลอฮฺอัลลอลอฮลัลออัลลอฮอัลลอฮัลลัลอฮฺอัลั وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا م َ ش َ ا ء َ اللَّهُ كَانَ سِنْتِي اللَّبْرَسُ وَمَنْ جَجَكَ كُنْ م َ ه ا م ل ل َ ه م ا لَمْ يَشَ لَمْ يَكُنْ لَسِنْتِي اللَّهُ مِبْرَسُهُ لَمْ يَكُنْ تَمِيْعُ كُنْ مَعِنِهِ و َ ا م ِ ب ِ ا ل ل َُ م َ ا َ م ْ ي ْ ك ُ ن َ ت َ ر َْ คือถ้าเราซึ้งในแค่ประโยคสองประโยคนี่นะซึ้งในเรื่องนี้นะคมกว่ามีดโกนนะมันชี้ขาดอะไรหลายอย่างในชีวิตว่ะใครจะใหญ่โตบางคนนี่จะมองว่าตัวเองอะใหญ่โตที่สุดนะฉันฉันประสงค์ฉันก็ต้องได้ใช่ป่ะแต่บางคนก็มองว่าเออคนนู้นใหญ่โตคนนู้นเฮ้ยคนนั้นเขาเขานั่นแล้วมันต้องเป็นแบบนั้น มันก็ไม่ไม่ได้เป็นแบบที่เราประสงค์หรือคนอื่นใหญ่โตเขาประสงค์อุตส่าห์เรื่องนี้ไม่เดียไม่ต้องอธิบายมากเพราะคําคมเนี่ยที่ท่านนาบีกล่าวในดุอานะในดุอาเอ๊ะมันดูกล่าวใน ด, ดุอาเป็นการขออรเราเร า, เราอยากได้อะไรนะแต่นบีจะกล่าวป ร, ประโยคพวกเนี้ยเพราะบางทีเราอยากอยากได้อะไรนะประสงค์ที่อยากได้อะไรบางอย่างแล้วไม่ได้ ก็เอาประโยคนี้มาปลอกใจมาชืออัลลอฮฺแค่สิ่งที่อัลลอฮฺประสงค์จะเกิดขึ้นและสิ่งที่อัลลอฮฺไม่ประสงค์ล่ะจะเกิดขึ้นกล่าวคืออันนี้มันต้องคือมันต้องอธิบายแั่แต่มุสลขาไม่ไม่ต้องพูดเยอะไงมาชืออัลลอฮฺสิ่งที่อัลลอฮฺประสงค์จะเกิดขึ้นแม้ว่าเราไม่ประสงค์นี่ก็อันนี้ต้องอันนี้อันนี้ต้องเล็บนะ มันจะได้เห็นเดชานุภาพว่าแมาละเมยชะและสิ่งี่ียวเลาะมีประสงค์และมีคุณมันก็จะไม่เกิดึ้นไม่เกิดขึ้นแม้ว่าเราประสงค์และนี่เหตุผลว่าทำไมมุสลิมจะมีประโยคเดียวหรือคำเดียวที่เราเรียกว่าคำคำคำประกก ธรมตสำหรับมุสลิมมาได้ใช้ตลอดอินชาอัลลอ์อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลล อ, อ, อ, อ์เราพูดด้วยอคิดะพูดด้วยความเชื่อ ว, ว่าทุกอย่างนี่อยู่ที่อัลลอ์เราจะทำอะไรนี่เราก็ทำตามแผนแต่เราต้องเชื่อ ว, ว่าไอ้แผนของเราเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องสำเร็จ เราจะงต้งละว่าไ ه ่ต้องว่าฉันจะทำอะไรฉันจะทำฉันจะจนกว่าจะต้องมีคำประกอบตัวเนี้ล่ไว้ตลอดัล ا ัลลอฮฺถ้าเราต้องเข้าใจนะเราเป็นเราไม่ได้เป็นคนอารับนี่เพราะบางทีอารับบางทีก็พูดพูดผิดเพี้ยนน่ะ ทำระบบเนี่ยอยจะใช้เฉพาะเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องอดีตไม่กล่าวอินชาอัลลอ์ื่ออะไรชื่อฟาอิซอินชาอัลล์ด้ต้หมทานอะไรมาเมื่อเช้า อ, อ, อินชาอัลลอฮ์ทานก็ต้องมาแล้วอินชาอัลละ์ ค ง, งอยากได้บารกัต น, นะแต่มันเอี้ยนเพี้ยนภาษามันไม่ใช่อินชาอัลลอฮฺหมายถึงว่าที่มันจะเกิดขึ้นไม่ไม่กล่าวไม่มีซุนนะไม่มีแบบฉบับแล้วไม่มีเหตุผลด้านภาษาที่จะให้กล่าวมันเกิดขึ้นมาแล้วี่ยอินชาอัลลอฮฺก็ลดประสงค์ไปแล้วไงกินข้าวต้มไปแล้วไงจะประสงค์อะไรอย่างอื่นล่ะอินชาอัลลอฮฺมันก็มันก็เกิดขึ้นไปแล้วอันนี้ต้องเข้าใจนะนี่นั่นด้านภาษานะจะใช้อินชาอัลลอฮฺในเรื่องของ อนาคตนะแต่เรื่องอดีตที่เกิดขึ้นไปแล้วนี่ไม่ใช่นะ่ะไม่มีผลบุญนะ่ะเออหนะ้าดีมันก็บรารักันอนะินชอนลอดีนะไม่ไม่ไม่นะไม่ข่าวให้มันเข้าที่เข้าทางถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยจะใช้คำเนี้ยอินชอนลอเนี่ยจะได้ยีนความรับปิดชอบ ก็กับเรื่องอนาคตนี่แหละที่มีแผนนี่แหละอา้าใครยืมตังแต่จะใช้นี่นะเอาใช้อินชอนล้อเมื่อไหร่พรุ่งนี้พอมาพรุ่งนี้แล้วเอาใช้อ่ะก็อินชอนล้อไงอ๋อนี่นี่เอาอิ له, นชอนล้อนี่มามาอ้างจะได้เบี้ยวใช่ไหมของอินชอนล้อก็ล้อไม่ประสงค์ไงล้อไม่ไม่ใช่ไงอันนี้เนี่ยคำเนี่ยจะกลายเป็นคำคำแช่ง กับตัวเองเราเราวางแผนอยากได้อะไรเนี่ยประสงค์อยากได้อะไรเนี่ยวางแผนทําแล้วก็ประสงค์แล้วก็หวังในในผลของแผนได้แต่ด้วยมารายาทว่าอย่าเชื่อว่าความประสงค์ของเราแผนของเราจะเหนือกว่าแผนของอมนกจริงใช่คําเนี้ยอิน ศรูอิสลามอีกเขาจะเข้ามาบุกเมืองดิมัชเนี่ยแล้วก็มุสลิมในสัตว์ตวัิปมุสลิมเนี่ยก็รู้สึกไม่ไม่ไหว้ไม่ไหวจะต่สู้แล้วบางคนก็อยากจะหนีละอิมาอินูเยมิยาเนี่ก็เกณฑ์ประชาชนเนี่ยให้ให้จิ h าดกันให้ต่อสู้กันต่อสู้กับศัตรูแล้วบอกเขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่เราจะปะทะ ถ้าเราเตรียมตัวแล้วให้ดีเนี่ยปะทะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะชนะแน่นอนนะเราจะชนะแน่นอนไอคนนี้จะอ้างว่ารอหน่อยนะอ้างว่ารอเฮ้ยผู้บอกอินชาอัลลอฮ์ดีอินชาอัลลอฮ์นี่คืออินชาอัลลอฮ์นี่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เพื่อบันทอนเพื่อจะได้บันทอนกำลังใจ ความตั้งใจหรือความต้องการในความสําเร็จไม่ได้ถ้าจะเอามาใช้แบบนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อิบเนี้ยก็นเลยว่าอินชาอัลลอฮฺ تحقيقا لا تعليقا อินชาอัลลอฮฺเนี่ยอินชาอัลลอฮฺเนี่ยด้วยความหวังในความสําเร็จผลให้มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ตาลี่กันไม่ใช่แขวนไว้อินชาอัลลอฮฺแขวนไว้ว่าเราแยกอยู่แล้วเราก็อย่าไป อยาไปหวังอะไรเยอะไม่ได้เนื่องจากสงครามได้เป็นสงครามสําคัญอัลลอฮ์ให้ใช้ยาวโยมันฝุ่กฟูอันนี้อายะห์สี่สิบเอ็ดในสุรัลอัลฟาลที่อ่านไปแล้วที่ที่แล้วเนี่ยพวกเจ้านี่ให้แจกทรัพย์เฉลยนี่แบบนี้ แบ่งกันแบบนี้ถ้ากว่าพวกเจ้าศรัทธาในอัลลอ์และศรัทธาในสิ่งที่อัลลอ์ประทานลงมายังเบาของเรานน่คือท่านนบีสุล่ยวมะลฟุรกานในวันแห่งการจำแนกระหว่างศรัทธาและการไม่ศรัทธานี่คือกุญแจแรกนะเยวนี่คือวันอัลลอฮ์จะให้เวลาเนี่ยเป็นจุดจำแน ระหว่างความศรัทธากับความปฏิเสธที่จริงเนี่ยที่จะปฏิเสธแต่ที่จะจําแนกระหว่างความศรัทธากับการปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมันน่าจะเป็นคําสั่งสอนที่จะให้เรารู้ว่าอะไรคือศรัทธาอะไรคือปฏิสัตย์และนั่นคือกุรานเองกุรานก็มีฉายาว่าอัลฟุรคอนถูกต้องไหม แต่เไหนเลยวันเวลาเนี่ยจะได้ฉายาซึ่งวันเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีเนื้อหาวันเวลาเนี่ยมันไม่มีไม่มีอะไรเราจะนิยามเวลาเวลานี่คืออะไรเวลานี่คืออะไรอย่างวันนี่คืออะไรแต่ถ้าไม่รู้สบานว่าจะอะไร วันเวลาที ي وم, ي وم ي ي ่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเวลานั้นน้น่ะนี่เรื่องเวลาคนนะเยามะยามะลฟุร์านเป็นสิ่งที่จำแนกยามอัลตะกลจมงานีเยามะในวันที่สองฝ่ายนี้ได้ปะทะกันประชชน้ากันอุ้มหอละกุลีชัยอุกดี มา سبحانه และ تعالى ดีฉันุภาพอนุภาพเนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเรื่องวันที่ Allah รีกว่าฟุร์กอัลเลาอายะ42เนี่ยเริ่มพูดเรื่องสถานที่ยามัลฟุร์กอัลยามัลตะกลจะมานิวันฟุร์กอัลก็คือวัน วันที่มีการเผชิญหน้าระหว่างสองฝ่ายวันที่เกิดเหตุการณ์บาดเหตุการณ์นี้ ก, น ก, นกันดีนยัยนี้ is أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم จงรำลึกคือมันสืบเนื่องวันที่ให้วัเจ้าเนี่ยรำลึกขณะที่วัเจ้าอยู่ด้านหุบเขาที่ใ ก, กล้กว่า และพวกเขาอยู่ด้านหุบเขาที่ไกลกว่าเขาใกล้กับเขาไกลนี่มันอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงแต่นี่อัลลอ์บอกว่าอิสอันตุมตรงเรามีกันที่พวกเจ้าอยู่ด้านหูเขาที่ใกล้กว่าใกล้กว่าใกล้กว่าใกล้กว่ามาดีนะเพราะนบีมาจากมาดีนะมดีได้อยู่ตอนเหนือแล้วพวกกเรชมาจากมกะมกะอยู่ใต้ นบีก็มาครองครอครองมายึดพื้นที่ที่มียุทธศาสตร์ดีกว่าซึ่งมีน้ำมีทางหนีมีทางล้อมมีอะไรหลายอย่างที่เป็นยุทธศาสตร์ตามที่จาอธิที่ายในภาพซึ่งพื้นที่นั้นนํามันใกล้กว่าใกล้กว่ามาดีนะอิศอันตุบิลุดวะติดดุนียาอุดวะ ก็แปลว่าหุบเขานี่ก็คือเชิงเขาอ่ะพื้นที่ใกล้ภูเขาบางขีรอานเขาค้อหนึ่ง is أنتم بالعذوة الدنيا عذوة ไอ้ดัวกับอุดดัเนี่ยวัดระยะทางเส้นถ้าบ้านเรานี่ก็ควจะบางบางที่นะบางพื้นที่เนี่ยโซดัว เดินเดินแบบนี้มากเลยเดินไปก้าวหนึ่งเดินไปก้าวหนึ่งก็เดินไปก้าวหนึ่งนึกภาพใช่ปะ่ะถ้าเดินหลายก้าวอ่ะมันก็เดินหลายก้าวใช่ปะ่ะอ่เื้อเดินไปพักหนึ่งเดินไปพักหนึ่งวิ่งวิ่งไปไหน่อย ะระยะทางเนี่ยระยะทางนี่มันแค่ไหนวิ่งสักพักหนึ่งระยะทางวิ่งสักพักหนึ่งอ่าบางทีก็กใช้ไั้นะวิ่งหน่อยเนี่ยในะ ร, ะระยะทางจะนี่ไปถึงไปถึงที่นู่นเนี่ย ต, ต, ต, ต้องต้องเท่าไหร่ก็วิ่งสักวิ่งสักห้านาทีอ่อาเงี้ยบางทีเวลาจะกะกะเป็นเป็นระยะทางไม่ชัดนะมันกี่เมตร อ, อะใช่ไม อันนี้เหมือนกันอุเขาที่มุสลิมไปอยู่ตีนเขาไปอยู่เขานี่ยห่างจากภูเขาห่างเท่าไหร่ล่ะรดัวรดัวนี่เป็นรากศัพท์ของอาดาอาดาแปลว่าวิ่งวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงห่างจากภูเขาวิ่งไปนิดห่างจากภูเขานิดนึงเดีวจะเห็นมันไม่ได้ห่างไกลมากกันนะมันเนี่ยวิ่งไปนิดนึง ห้มัเขาก็ห่างจากอยู่ในภูเขาหรือตีนเขานี่ห่างจากภูเขาเนี่ยสักวิ่งหนึ่งวิ่งวิ่งสักพักหนึ่งแสดงว่าดเนี่ยหอดวเนี่ยนี่ตามภาษานะก็เป็นการวัดระยะทางที่มันห่างจากภูเขาแต่เวลาแปลเนี่ยไม่สามารถ อธิบายได้ละเอียดว่ารากศัพท์นี่มันเป็นยังไงก็ใช้คำว่าใกล้กว่าใกล้กว่านี่มาจากอะไรอัลกุดวอัลดุนยากุดวเนี่ยระยะทางใกล้ดุนยาเนี่ยดุนยาของเราทำไมเขาเรียกว่าดุนยาเพราะมันมันใกล้ใกล้ตัวเราไง อีกันทุมเปลองดัวติดดุนวะดุนยาพวกเจ้านี่อยู่ในตำแหน่งภูเขาที่มันอยู่ใกล้กว่าใกล้กว่ามาดีนะไม่ใชใกล้กว่าภูเขานะไม่ใช่ใกล้กว่าภูเขาที่เขาอยู่ไม่ใช่นะเพอะทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาก็ยึดภูเขาแต่ละลูกเนี่เป็นยุทธศาส เขาบอกว่ายุทธศาสตร์ที่พวกเจ้า น, นี่เหนือกว่าเนี่ยกัยุทธศาสตร์ที่เราอยู่ใกล้เมืองคุ้มคร อ, องของเราใช่ดิอยู่ในสงครามถ้าเราอยู่ใกล้เมืองของเราก็อยู่ใกล้บ้านเราพวกนักเลงในเวลาเขาจะท้าเนี่ยไม่ไปท้าใครไกลไกลบ้านอะเอามไกลบ้านเออ ถ้าจะไปไกลบ้านเขานน่นะอา้าวจะมีใครพวกนุ่นออกมาจากไหนก็ไม่รู้ยิ่งถ้าถ้าศัตรูเขาเนี่ยฮะหรือคู่กรณีเขาเนี่ยไปหาถึงบ้านเขาเลยอะนะโอ้ท่านเสี่ยงเสี่ยงที่สุดเลยทำไมอา้าวถ้จะจมีใครพักพวกเขาอยู่ในบ้านอะอยู่ข้างในบ้านเขาเรียกมาแป๊บจนึงเขาก็ออกมาถ้าเราจะเรียกพักพวกของเราหนู่นนะั่งอยู่ในห้องนุ่นะ อามะบอกว่ายุทธศาสตร์ของพวกเจ้านี่ดันต้องไปรอดว่าที่ดุ نية พวกเจ้านี่ไกลกว่ามาดีนะซึ่งเป็นเมืองของพวกเจ้าและเขาอดกว่าจะกู้สวนเขาไกลจากมาดีนะและไกลจากเมืองเขาด้วยเมืองมะกาเขาด้วยซึ่งเป็นยุทธศาสยุทธศาสตร์ที่พวกเจ้านี่ได้เปรียบแตอย่าลืมนะครับว่า แผนของน บ, บีเนี่ยไม่ได้ออกมาประทั ก, กับกองทัพที่จะสู้รบแผนของน บ, บีนะแราทราบบ้างเนี่ยไม่ได้ออกมาจะได้จะได้ทำสงครามกับตามที่อธิบายตอนตอ น, ตอนแรกเลยนะเขาไม่ได้ออกมามาสู้รบกับกับกองทัพแต่จะออกมาทำอะไรออกมายึดคารวาลอัลลอก็จึงบอกว่า วรักบุอสฟลมิงคุมแล้วกองคาราวานนั้นอยู่ต่ำกว่าพวกเจ้าอยู่ต่ำตรงไหนอะคาราวานเนี่ยก็ไปอยู่ไปเดินทางนูน่นะตามหาดใกล้ใกล้กลทะเลสีแดงเนี่ยก็คือบัดรนะเนี่ยมาดีนะนมวีออกมาเลย คารวานที่มันมามาจากชามนะมาจากตอนเหนือนี่มาตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยเขาจะวิง่งเส้นห่างจากทะเลนบีก็มาตรงนี้เนี่ยเพื่อจะได้มามามาประจบ ก, กับคารวานตรงนี้แต่ผู้นําคารวานเนี่ยรู้เบาแสว่าท่านนบีออกออกมาจะมา จะมายึดคารวานเขาก็เลยรีบเลี้ยวหนีหนีเส้นทางเนี่ยกำลังหนีเส้นทางไปริมทะเลเนี่ยริมทะเลมักกามันจะอยู่ข้างลังนิดนึงประมาณตรงนี้พวกมักกานี่รู้แล้วนี่ว่าท่านนาบีออกจะมายึดคารวานเขาก็เลยออกมากองทัพของเขานี่นออกมา โดยที่ตัวท่านนาบีก็ไม่รู้ว่ามีกองทัพออกมาจากมักกะตอนที่ออกมาจากมาดีน่านี่ท่านไม่รู้ว่ามีกองทัพออกมาจากมักกะรู้ว่ามีคาราวานเป้าหมายของท่านนาบีคือคาราวานแต่พอท่านนาบีใกล้จะถึงจุดหมายที่คาราวานเดินทางแล้วเนี่ยอบูซุบยานิกะ ออกจากเส้นทางไปวิ่งเส้นทางที่ทะเลและชาวมักกะนี่ก็เลยยกทับออกไปท่านนาบีจึงรู้รู้กลางทางแสดงว่าแผนของท่านนาบีที่จะพบคารวานไม่สิกองครับนะมีแผนของท่านนาบีนะและจุดหมายของท่านนาบีก็คือจุดหมายที่จะประจบระหว่าง คารวานของพวกมุชาห์ีนใน บ, บุสเวียนและกองทัพของท่านนบีแต่ปรากฏว่าอัลล์ให้แผนของคารวานที่จะหนีกองทัพนบีเนี่ยประสบความสำเร็จและแผนของท่านนบีที่จะหลีกเลี่ยงพอท่านนบีรู้แล้วเนี่ยว่ามีกองทัพออกจากมักก้าเนี่ ย, ย ก, กย็ไม่อยากจะพบซาบะส่วนมาก่ไม่อยากจะพบอัลลอฮ์ก็ให้แผนของนบีและซาบะ ที่จะหลีกเลี่ยงจากกองทัพของมกกะเนี่ยไม่ประสบความสาเร็จจนสุดท้ายเนี่ยแพคาราวานของอบุซุกยานนี่ก็สามารถหนีพ้นเนี่ยหนีพ้นไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ที่มันต่ำกว่าที่มันต่ำกว่าที่ไหนอะริมทะเลสังเกตดูภูมิศาสต์นะตรงนี้เนี่ยบัดมักกะเขามาอยู่กันตรงนี้ตรงนี้มันเป็น เป็นตำแหน่งภูเขาสูงจากจากตำแหน่งทะเลนี่ก็หลายร้อยเมตรแล้วบูซู比亚เนี่ยลงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นอยู่ที่ต่ำคนที่จะเดินทางนะซึ่งในยุคนั้นนะ่ะเขาไม่มี Google Map ไม่มีอะไรพวกนี้แน่นอนคนที่จะเดินเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกเพราะที่เดี๋ยวเราจะดูภาพนะที่สงคำบัตรสถานที่นะ่มันราบนะ เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำสงครามบนเขากันนะที่ราบนะเป็นทะเลทรายนะไม่มีใครหรอกที่จะรู้ว่าที่เขากําลังทําสงครามอยู่เนี่ยมันสูงกว่าและตําแหน่งของคาราวานเนี่ยมันต่ํากว่าซึ่งมันต่ํากว่าจริงเพราะภูมิศาส์ทั้งหมดเนี่ยบางทีเนี่ยมันราบกับลงแบบเนินเนินเนินใหญ่เนินยาว กว่าจะถึงกว่าจะถึงปลายจุดเนี่ยนะตอนเดินทางนี่ไม่รู้สึกว่าเราปีนเขาหรือลงเขาหรือขึ้นหรือขึ้นเขาวเนวาทีที่มาล่าเหมือนกันนะแต่มนาน่าแบบลงใช่ไหมเคยเคยสังเกตเรื่องนี้นะแต่ Allah ได้อธิบายไว้ชัดเจนว่าวารรกบุคส่วนคารวานอัลเฟลมิงคุมยูนที่ต่ำกว่าพวกเจ้าไอาเนี่ย ุวมาในปัจจุบันเนี่ยได้เอามาศึกษาภูมิศาสตร์ของพื้นที่สงคำบมสและภูมิศาสตร์เส้นทางคารวานที่เดินปรากฏว่าเป็นอยู่ที่ต่ำกว่านั้นน่ะเป็นร้อยเมตรนะ่ะแต่ใครจะรู้ล่ะว่าเป็นที่ต่ำจริงนะ่ะที่จริงเนี่ยถ้ามันต่ำกว่าสักเมตรสองเมตรนี่ก็ไม่เรียกว่าต่ำมั้แต่มันต่ำจริงอะ่ะมันต่ามันต่ามากอะ่ะลอะเรียกว่าต่าเนี่ย ซึ่งถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาอะนะก็าอาจจะไม่รู้ว่าที่เนี่ยมันราบาเราอยู่ในที่ราบและพวกต้นน้ำมันจะต่ำยังไงอุลมามบางท่านในพอนศึกษาบูมิศาบแบบนี้บอกว่าแค่คำเนี่ยแค่คำเดียวอะนะมันอธิบายถึงความละเอียดของกุษานในการในการชี้จุดและตำแหน่ง เหมือนเราดูเ อ, อเหมือนเราดูภาพในกอล์เกิลแมปซึ่งนี่คืออลเจสมันเป็นเรื่องมหาสารจริงๆในยุคนั้นนะ่ะที่ไม่มีใครรู้หรอกว่าตําแหน่งที่เขาอยู่กับตําแหน่งที่คารวานเขาเขาหนีไปเนี่ยมันมันเป็นคนละตาแหน่งและเป็นตําแหน่งที่ต่ากว่าจริงๆนะไม่มีใครรู้หรอกแต่พระอามร์ได้นนชี้ว่าอย่างชัดเจนแบบนี้ กุลมาก็เดินําเรื่องเนี้ยไปเสนอเป็นเป็นงานวิจัยพิสูจน์ให้เห็นถึงมหาสัจร์ของคุตตานในด้านภูมิศาสตร์ในการประชุมของอยาอร์ยายมีในเรื่องมหาสัจจ์ด้านวิทยาศาสตร์ในคุตตานนะนะส่วนหนึ่นนงก็คือเรื่องภูมิศาสตร์ว่าคุตตาน หรือตอนนั้นนะมุฮัมมัดยจะรู้ยังไงท่านนาบีจะรู้ยังไงนอกจากว่าเป็นเรื่องที่อัลลอสุบฮานาหัวตาละบอกกับท่านอันนี้เราเห็นภาพรวมแล้วน ะ, ะมาดูมาดีนะมันอยู่ตรงนี้นะกามันอยู่ข้างล่างแล้วนี่คือบัตรนี่บัตรขยายไปเรื่อยๆที่เขาทำสงครามเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบนะมีภูเขาแต่พื้นมีภูเขาบางลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะชี้เชียรให้ แต่พื้นที่ที่ทำสงครามเนี่ยมันเป็นพื้นที่รานี่นี่คือพื้นที่ที่เขาทำสงครามเนี่ยมัสยิดอัลอารีชตรงเนี้ยนะก็เป็นมัสยิดที่เขาสร้างไว้เพื่อชี้ตำแหน่งที่ท่านนาบียืนละหมาดที่สฮาบ้าได้ได้เหมือน กางเต้นให้ท่านนาบีและนบียืนละหมาด ท, ทั้งคืนขอดุอาที่เราเคยเรายงานนาบียืนละหมาดขอดุอาทั้งคืนนั่นน่ะที่เ้าเรียกกันที่ารีกันอลาออลาอิชแปลว่าเหมือนเต้นน่ะที่เากางเต้นให้ท่านนาบีเขาก็เลยหลังจากนั้นน่ะก็มีการสร้างมัสยิดมัสยิดเนี่ยเขาเรียกมัสยิ A ish, ดอลาอิชชัยชิวเนี่ยนี่คือตำแหน่งและนี่คือตำแหน่ง ตำแหน่งของกองทัพท่านนบีสุลตานโมฮัมหัยลัลนีกองทัพของมุชิีนกองท่านนบีอุดวตตรงนี้เนี่ยไปตรงนี้นมาดนะอุดวตกุวห่างไกลจากมดนลก็ห่างไกลจากมะเหมือนกันนี่คืออุดวตอันตุบิลอุดวตุมบิลอุดวตลุ เขามาบรรทากันตรงนี้นะบรรท่ากันตรงนี้วัลรกบุอสฟละมิงกุมละคาราวานนี่ก็ไปวิ่งเส้นนูนะซึ่งอยู่ในจุดที่ต่ํากว่านี่คือภูเขาหันนาภูเขาหันนานี่นะก็คือภูเขาแต่มากนะภูเขาลูกเนี้ย ภูเขาไม่มีก้อนหินสักก้อนหนึน่งเป็นทรายอย่างเดียวอ่ะแล้วภูเขานี่ตังต้งแต่พันสี่รอยปีนะก็ยังเป็นแบบเนี้ยท่านนบี ص ล ى ا ลอ ه عليه وسلم ก็มาอยู่รอบเนี่ยอันนีบบ้เ ال รียกว่าภูเขาหนานันนันท่านนีก็อยู่อยู่ที่เขาบอกว่าอยู่หุเขาหุดวยรือหุดวยเนี่ยอยู่ตีนเขาเชิงเขาเชิงเขาเชิงเขาอะไรอ่ะหันนันภูเขาลูกเนี่ย แล้วก็ของเขาว่าอยู่เชิงเขาอัลอุตุลกุสวาอยู่ในเชิงเขาอีกลูกหนึ่งแต่ภูเขานั้นนเป็นภูเขาอ่าเป็นภูเขาที่เป็นก้อนหินนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เขาชูฮาดะบาตนี่ก็ที่เขาเรียกว่าฝังแต่นี่นี่คือพื้นที่นี่ภูเขาอากั้งกล ตนี้นะภูเขาลูกเนี้ยก็คืออากั้งกันแล้วก็ชาวมุสลิมก็มาอยู่เนินเขาเนี้ยอยู่ตรงเนี้ห่างไกลนิดหนึ่งวิ่งวิ่งสักพักหนึ่งตรงเนี้หากกลับมาดูภาพเก่าเน่ยจะได้เห็นจะได้เห็นภาพจริงเนี่ยภูเขาเนี่ยตรงเนี้ขนนานเนี่ย ภูเขาทายเนี่ยท่านธรีอยู่ตรงนี้พระรอดัวตุดุนเนอยู่เชิงเขาอยู่เชิงเขาห่างกันสักวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งรอดัวนี้วิ่งสักพักหนึ่งนิดหนึ่งและนี่อากั้งกอยู่ตรงเนี้ยก็อยู่เชิงเขาวิ่งห่างจากภูเขาสักวิ่งหนึ่งสักพักหนึ่งอลอรดัวตุลกุสัวแต่คําว่าดุนยแลกุสัว ไกลและไกลนี่ไม่ใช่หมายถงว่าใกล้จากภูเขาลูกนั้นๆ น, น, นะไม่ใช่ลลใกล้และไกลจากบดีนะกาหนดการของท่านนาบีลอัลลที่จะมามาพบกับคาราวานแต่คาราวานรู้เสียก่อนว่าท่านนาบีจะมายึดคาราวานเขาเลยหนีแสดงว่าแผนของท่านนาบีไม่สาเร็จล่ะ ประสงค์ของซาบะทั้งหมดเลยเนี่ยไม่อยากจะพบกับกองทัพของกูรชิชเพราะเขาไม่พร้อมเขาไม่ได้ออกจากมาดีนะด้วยการวางแผนที่จะสู้รบกับกูรชิชเขาไม่พร้อมเขาแค่จะไปดักคาราวานแล้วก็เอาคืนทรัพย์สินของเขาของปวกมุฮัมมัดอิน์ส่วนมากที่ถูกไล่จากมักกะแล้วก็ถูกยึดทรัพย์สินของเขาที่มักกะก็จะขอคืนส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของเขา แต่คารวานไม่พร้อมไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวที่จะได้สู้รบก็สแสดงว่าแผนของเขาแผนของนบีละส阿拉伯เนี่ยไม่สำเร็จและแผนของมุชริกีนที่เขาจะไปปกป้องคารวานคารวาและไปดักกองทัพของท่านนาบีสุลส่านละวะไล้วะซัลลัมประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จ แผนของมุูริกีเนี่ยในการที่จะไปเจอกับกองทัพของนบีเนี่ยประสบความสําเร็จและแผนของนบีในการที่จะจะเอาคาราวานแต่ไม่เอากองทัพเนี่ยประสบความสําเร็จไม่สําเร็จของมูซิลกีนี่สําเร็จแผนเขาอะนะที่จะที่จะเจอกองทัพนบีสําเร็จแผนของนาฎีลซาบะที่จะไม่เจอนะไม่สําเร็จวลลตตตตาดุุมมฟี เนี่ยละบอกว่าว่าเราตัวเราตุ่มแล้วถ้าหากวาพวกเจ้าต่างได้สัญญากันแน่นอนพวกเจ้าก็ย่อมขัดแย้งกันหมายถึงว่าขอให้พวกเจ้าเนี่ยถึงจะสัญญากันว่าจะเจอกันที่ไหนอะนะถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์นะพวกเจ้าก็จะขัดแย้งกันก็จะไม่เจอกัน ว่าแล้ว่าัวเจา่กองทขกงนและรวอห้วาญากัน ج ج กก่ที ی ی ی ی ่หเาะัลมาะสงนี่ จะเหนือแผนของอัลลอฮ์ไม่ได้แต่ถามว่าแล้วแผนของซาบะในเบียและซาบะนี่มันผิดไมมมันไม่ผิดมีความชอบและวมันไม่ทุกแผนที่มันมีความชอบเราจะต้องเรียกร้องให้มันประสบความสำเร็จเพราะมันมีความชอบทำในมุมมองของเราเพราะบางทีมันมีความชอบแล้วก็มีความชอบกว่า มันมีเรื่องดีที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องดีแต่มันมีเรื่อ ง, องดีกว่าคนเราเนี่ยที่สามารถหุกกลมที่สามารถตัดสินอะไรมุมเดียวนะด้วยปัจเจเกด้วยปัจใจด้วยข้อมูลที่มีเนี่ยอะเรื่องนี้ดีอันนั้นก็ถือว่ามีความฉลาด พอสมควรแต่เขาบอกว่าฉลาดกว่านั้นน่ะคือคนที่สามารถเปรียบเทียบระหวา่างสิ่งที่ดีและก็ดีกว่านะอับดุลเตมียะบอกว่า ليس عاقل خُندي بن ي َญْ م ั ن يعرف الخير و ا ل ش ر ไม่ใช่คนที่เพียงรู้ความดีและความเลว ไม่ใช่คนหรือไม่ใป the ัญญาชนนะที่เพียงรู้ร <inter> <him> ู้แค <ills> ่ว่าเรื่องนี้ดีเรื่องนี้เลวนี่ไม่ใช่ปัญญาชน ولكن العاقلة تَبَنَّيَ شُنِّتَةً م َน يَعْرِفُ خَيْرًا خَيْرًا ي ن و ش ر َّ ش ر ي ن คนที่รู้อันนี้ดีและอันนี้ดีกว่าอันนี้เลวและกอันนี้เลวกว่าและสามารถเปรียบเทียบได้เพราะมันจะมีผลในการ เลือกกัดสินใจว่าณเวลานั้นนะ่ะควรที่จะทำอะไรควรที่จะปฏิบัติอย่างไรควรที่จะประพฤติอย่างไรทั้งหมดเนี่ยที่อัลลบฮฺสลุลต่านไม่ให้แผนของเราของผู้ศรัทธานี่ประสบความสาเร็จแต่ยังไงแผนของมุชิลิกินประสบความสาเร็จดูแล้วนะถ้าเอาแค่ฉากนี้นะเราทำได้ไงอะ ให้แผนของมุสติกีน ม, มระสมความสาเร็จแล้วก็แผนของอุสทธาเนี่ยไม่แผนของนบีเนี่ยไม่สาเร็จอ่ะอัลลอฮ์ทำได้ไงอ่ะแล ะ, ะต่ด้าว่าวเพื่อที่อัลลอฮ์จะได้ทรงให้งานหนึ่ง เสร็จสิ้นไปซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทําไว้แล้วเลียย้ยกดีอัลลอฮฺอัลรอฮฺอัลลอฮฺอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮนอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลสินทองให้ตัดสินให้ลานหนึง่งก็คือปรากฏการปรากฏการหนึง่งที่กองทัพลุสลลมีนไม่พึงประสงค์แลลอองลัลลอฮฺอ พืนประสงค์งานนั้นนะ่ะอัลลอฮ์ะจะให้มันเกิดขึ้นเป็นแผนของอัลลอฮ์แผนของมุสตาหไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแผนของเขานีก็คือต้องการคารวาลแผนของมุสลิกลินอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าช่วงต้นของแผนเนี่ยสำฤทธิผลตามเจตนารมณ์ของมุสลิกลินนั้นไม่ใช่หมายรวมว่า Allah Subhanahuwataala ได้สนับสนุนแผนของมุสลินไม่ใช่ที่มันจะสิ้นสุดตามความประสงค์ของล l อ a h เนี่ยที่ Allah บอกว่าให้งานหนึ่งเสร็จสิ้นให้มันให้มันสำเร็จยังไงอเสร็จสิ้นไปซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทำมาฟรูละบอกว่าจําที่ a l อ a h สอนให้เราตอนขอด้วยอัลลอฮฺ ว่าไม่ใช่กาลอัลลอฮฺจะคิดเรื่อสิ่งที่อัลลอฮประสงค์อัลลอฮจะทำอัลลอฮจะทำเนี่ยซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทาไว้แล้วเราวางแผนเราประสงค์เราตั้งเป้าหมายไว้แต่สิ่งที่เราต้องการมันไม่ได้เกิดขึ้น คนที่ไม่หวังดีกับเราเนี่ยเขาวางแผนแล้วเรามองดูแล้วเนี่ยวิแผนเขาเนี่ที่เขารุกคืบรุกคืบรุกคืบก็กําลังสําเร็จสําเร็จตลอดนั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์กำลังสนับสนุนฝ่ายที่ปฏิเสธศรัทธากระนัน้นหรือไออัลลอฮ์กว่าียัคดิอัลลอฮอัมรัมันจะได้มีงานสิ่งหนึงเกิดขึ้นซึ่งอัลลอฮ์ต้องทําแน่นอน ธงไก่มันสำเร็จแน่นอนถึงแม้ว่ามันไม่ได้อยู่ในวิสัยไม่ได้อยู่ในแผนไม่ได้อยู่ในความประสงค์ไม่ได้อยู่ในความปรารถนาของเราทำไมอะชัยชนะแบบนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นโดยไม่มีการวางแผนจากฝ่ายกองทัพนบีเราสอบ แต่มีการวางแผนชัดเจนจากฝ่ายของมุชูริกินชัดเจนนะะ่านอบบีไม่ได้วางแผนเลยไม่ได้เทียมอะไรเลยไม่ได้มีหมายนัดไม่ได้ไม่ได้เทียบอะไรไไนะไไไไทไรั้งสิน้นเทียบแล้วชัยชนะในสองคำบัตรถ้าหากว่านาบีเตรียมละ่ะถ้าหากว่านาบีวางแผนว่าจะถะว่าจะสู้รบละ่ะมันจะไม่เป็น เยามันฟุรกนมันจะไม่เป็นวันแห่งการจำแนกทำไมอ่ะเพราะมันจะดูเหมือนว่าเหตุการณ์มันันเกิดขึ้นตามคันองตามขันมข้นตอนตามแผนที่ทั้งสองฝ่ายนี้ได้วางไว้เพราะมนุษย์นี่จะเชื่อในปัจจัยแห่งการวางแผนของมนุษย์มากกว่าแต่ล l l a h อยากจะให้ ทั้งสองฝ่ายนี่ได้เห็นแผนของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวดาร์ที่เหนือกว่าแผนของพวกเขามุสลิมีนก็จะได้เชื่อว่าชัยชนะของเขาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวดาร์เขาจะได้ยิ่งมีความศรัทธาความเชื่อมั่นในความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวดาร์ผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็จะได้รู้ตัวแล้วว่าพวกเองได้วางแผนขนาดไหนอะะ่ะนะ เป็นสมดินฉันได้เห็นเดชะนุบบะของ Allah แล้วก็เลิกความยโสเลิกความตะกบุตจะได้สยบเสียทียอมรับในความช่วยเหลือที่อัลล์มีให้ท่านนบี Muhammad sallallahu alaihi wasallam ลี่เฮลิกมันเฮลิกงามเบยนะวยะ ح ي ا มัน حياء งมเบยนะเพื่อ เพื่อว่าผู้พิน娜จะได้พินาศลงโดยหลักฐานอันชัดแจงที่พิ娜ในสงครามนั้นนะ่ะพิเพะเขาท้าทายชัดเจนเขามีแผนว่าจะสู้รบกับท่านนาบีจะลบล้างจะจะหักล้างสัจธรรมของท่านนาบีสัลลัลลอฮอะลัยฮิลและผู้มีชีวิตอยู่ จะได้มีชีวิตอยู่โดยมีหลักฐานดีชัดเจนโดยหลักฐานอันชัดแจ้งเช่นเดียวกันผู้ที่มีชีวิตแม้ว่าจะเป็นฝ่ายของมุสริกีนที่รอดรอดแล้วเนี่ยก็จะประจักษ์เห็นไงว่าอีกขนาดมุฮัมมัดนี่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยพวกฝ่ายมุสลิมีนไม่ได้เตรียมอะไรแต่เขาชนหรือเป็นฝ่ายที่มีชีวิตนี่ก็คือฝ่ายที่นบีสุลต่ ที่ได้รับชัยชนะและก็มีชีวิตต่อไปเนี่ยให้เขาเห็นว่าโอ้่ขนาดเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยเนี่ยถ้าหากว่าเป็นมาตรฐานทั่วๆไปนี่นะกองทัพแบบนี้ป ร, ประเชินกับกองทัพแบบนี้เนี่ยอกองทัพของเรานี่น่าจะไม่เหลือแต่นี่อัลลอ์ให้เรายังมีชีวิตเนี่ยอะใบนินะมีมีหลักฐานทีชัดแจง้งและแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ ว่า อ, อินนอม่ฮลัสมีอุนอลีมอันนี้อันนี้แค่ฉากหนึ่งนะเดี๋ยวอายะสามสี่สิบสามนี่ก็จะมีอีกฉากแต่และฉากเนี่ยสุดยอดของการอธิบายภาพการทำสงครามซึ่งมันจะมีมิติที่เรามองไม่เห็นอย่างที่ผมบอกว่าภาพของเวลา เวลาเวลานะและสถานที่ก็คือเรื่องภูมิศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์สองอันเนี่ยมาประกบกันในในฉากเดียวกันเพื่อให้เห็นว่าเพื่อบทเรียนที่จะได้มาเนี่ยที่เอามาไปอธิบายนะท่านนบีมายังไงมัด ของที่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนพวกผู้สืบกนมาของที่อยู่ตำแหน่ง แ, แผนของนบีจะมาอยู่จะมาเจอกับใครแล้วก็จะมารบกับใครและแผนของพวกจะมารบกับใครทั้งสองแผนเนี่ยไม่ตรงกันแต่ a า l a าให้มันตรงกัน a l ให้มาประจบในที่เดียวกันจะได้ปะทะกันจะได้ประเชิญหน้ากันบทเรียนก็คือเราต้องเชื่อ ว่าในชีวิตของเราหรือชีวิตของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยย่อมมีแผนและการบริหารจัดการเราอาจจะไม่รู้ไม่เห็นนะว่าปัจจัยของมันนี่มันมีอะไรบ้างแต่สำหรับอุตธาเนี่ยยิ่งศึกษาอายะแบบนี้เนี่ยสุร่าแบบนี้ในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะเชื่อ แต่ทุกคนนะที่ในชีวิตของเขาเนี่ยประสบกับเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะคนที่อายุมากนะก็จะร ะ, ระหนักในเรื่องนี้จริงระหนักตระหนักมากเลยแผนของเฮเ ล, ลรีล่เคลนตันในการชิงตำแหน่งประธ า, านาธิบดีกับทรัมป์โกทุกโกลเนี่ยบอกว่า ใหแล้วชนะนั้นได้าทาชนะนี่ก็มาแข่งขันกันสองคนนี่ทาแล้วก็มีหลายคนฟันทุงเลยนะว่าทายิงในโลกมุสลิมเรานี่โอ้ผู้นำประเทศหลายประเทศนี่บอกว่าทาคือถ้าถ้าทไม่ชนะนี่กูต า, ายดีกว่าแผนมนุษย์นีจะวางยังไง แต่เราจะให้แผนนี่มันเกิดขึ้นตามวิสัยตามปัจจัยของใครอันนี้ถ้าไม่ยิบศรัทธาเนี่ยถ้าไม่หยิบศรัทธาเนี่ยโอโ้ยอมยากนี่ทาทุกคนนี้ยังไม่ยอมออกจากพอยย่้มไม่ยอมไม่ยอมถ้าสำหรับุูศธาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเชื่อในแผน โค้ออลอสุบฮานะหัวนะแผนของอัลลอฮ์นี่อาจจะตรงกับเราอาจจะไม่ตรงกับเรากระนั้นแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราต้องเชื่อแผนของเรานยดีกว่ามันคืออะไรยะแผนของอัลลอฮ์เนี่ยอาละหน้าที่ของเราหน้าที่ของเรานี่ยมีคําสั่งสอนมีตัวประกอบมีปัจจัยที่เราต้องศึกษาเรียนรู้แม้ว่าจะเป็นหลักการศาสนาคําสั่งสอนด้านศาสนา หรือตัวประกอบในด้านปัจจัยของโลกอ่ะจะสู้รบเนี่ยก็ต้องมีอาวุธเมียก็ต้องผลิตอาวุธต้องทาต้องทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่แม้ว่าจะเป็นด้านหลักการศาสนาหรือจะเป็นด้านหลักการของโลกอิทยาศาสตรทำตามหน้าที่แต่ต้องเชื่อว่าเหนือกว่าที่เราได้ทำหน้าที่ไปแล้วเนี่ยบั้นปลายของของ สิ่งที่เราต้องการนี่นะมันไม่จำเป็นว่าจะเกิดขึ้นตามที่เราต้องการเลี้ยงเดือยรอหัอัมรังแคในมะฝูเมีอุลมะลายท่านนะครับจะชอบใช้ประโยคนี้เวลาวางแผนอะไรกันสักอย่างเวลาคิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เวลาระดมอะไรสักอย่างหนึ่งจะได้ได้เป้าหมายตรงนี้แต่ไม่ได้เพื่อจะได้ปลอบใจตัวเอง เขาก็จะกล่าวครั้งนี้เพื่อให้ให้รำลึกถึงแผนหัวบอกประโยคนี้จึงมีบรารักัดมากในการที่จะปลอบใจคนที่ผิดหวังในแผนของตัวเองเตือนสติว่ามันมีแผนที่เหนือกว่าละยอดีกว่าเพราะเป็นแผนของพระเจ้าพระเจ้าของเราฉะนั้นท่านนบีสุลต่านะสั่มสอนให้เราเนี่ย อปอบใจล่วงหน้าด้วยการละหมาดิสิขอร์การละหมาดิสิขอรนี่เนี่ยมันมีคำสังสอนที่จะอปอบใจเราในเรื่องแผนของพระองค์ละโอมว่าอินีอัลซะฮิรุกับอิกลมิกะอ้วัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอให้ขอให้พระองค์ท่านได้ทรงเลือกอัลซะฮิรุกทรงเลือกบิอิกลมิกะด้วย ความรอบรู้ของอ่ะแสดงว่าเราต้องยอมรับเรื่องแรกเลยนะอเลารู้ดีกว่าเราว่สตักดิรูกาบีกุดรติกเราขอความช่วยเหลือในการที่จะได้ประสบความสําเร็จในในงานของฉันเนี่ยมีอุดรติกะด้วยพระเดชานุภาพของเราอันนี้นยอมรับแล้วว่ามีเดชานุภาพมีอํานาจเหนือกว่าของเราว่า س ุกะมิน فضل ิกะละ عظيم และข้าพระองค์เนี่ย ขอจากความโปรดปรานของพระองค์ท ja ่านอันนี้ก็เป็นการสารภาพยอมรับว่าไอที่เราอยากได้นี่นะมันไม่ได้เป็นสิทธิของเรามันเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ถ้าอัลล์ไม่ให้ล่ะก็เราก็อย่าล่วงเกิเราก็อย่ลเมิดเ่องอยู่ที่อัลล์อัลล์จะให้นี่ก็เรื่องอัลล์จะไม่ให้นี่ีเป็นทรพสินของอัลล์ว่าสัลุกัมินฟาดลิกละฮ์ฟินนัตัดิรุวะลาัดิร ว่ตั้งเล่าว่ลอาลัมเพราแท้จริงพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์พระท่านเนี่ยสามารถละข้าพระองค์เนี่ยไม่สามารถว่ละอัคดิว่าตั้งเล่าว่ลล่นละข้ารไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะวลอาลัมไม่รู้เลยวอันตเลามุลกุยูบละพระองค์ท่านเนี่ยที่รู้สิ่งที่มัน พ้นวิสัยเนี่ยเป็นการปอบใจล่วงหน้าเลยว่าตัวเองเนี่ยอย่าหาว่ารู้ดีนะมีอาม่าดี่รู้นู่นเรื่องที่มันไกลกว่าวิสัยของเราอัลลอฮุมะอินกณตนตะละะวันน์บีฮาดะลัมริวยสมี و อัลลอฮตาห์ว่าเรื่องนี้ละระบุว่าเรื่องอะไรจะซื้อรถจะแต่างงานจะไปทุระจะซื้อนู่นจะทานี่จะให้นู่น แต่ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ศาสนาสั่งไว้นะเพราอัลลอฮ์หากว่าการละหมาดดุรีมันเรื่องนี่ไม่ต้องละหมาดไม่ต้องอิสซิขาร์ในเรื่องที่เป็นฟอรดูไม่ต้องอิสซิขาร์ในเรื่องดีๆโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าการช่วยเหลือพ่อแม่ฉันนี่เป็นเรื่องดีไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ต้องอิสซิคาร์เราอิสซิคารในอในเรื่องโอเราคาบอกว่ามุสเตอิมเรื่องที่เรามันไม่แน่ใจอะมันอาจจะดีอาจจะไม่ดี เรื่องหมูบ้าเรื่องบาปก็ไม่ซีขระอ้อนวอนหรอกถ้าว่าเรื่องการกินเหล้านี่มันดีก็มันมันไม่ดีไม่ดีอันเกียร์มันไม่ดีไม่ซีขระไม่ได้เรื่องมักรู้ก็ไม่ต้องมีซีขระเรื่องหมูบ้าแห่งเดียวเรื่องที่ได้หรือไม่ได้เนี่ยที่อนุญาตให้ทํำมานะแต่มันดีหรือไม่ดีเนี่ยเราไม่รู้อินคนจะตาะลึกรวบในพิษะเดอัมรีวยุสมีลักกรบ ให้รันลีถ้ามันดีฟีดีนี่ในเรื่องศาสนามาก่อนนะที่สาคัญที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นความดีต่อศาสนาว่าดุนยาลดุนยาลมาชีชีวิตการํามากินการประกอบอาชีพว่าอาิอัมรีและบ้านปลายของฉันทำมาเรื่องดีนะฝกดูุลีิรุลกโปรตักดีให้มันเกิดเกิดเวศซิรห و ي س ر ه أمي م س ة و وقدر لي الخير حيث كان لا ب ك م د و د ا و ا ل ل ي ا ا ل ي ر ش ي ا ا ن ل د ي ن ي د ي من في ا ل د ن ة د ي ن ة ي ا ل ن ل د م ا ن ة ا ا ن ا ل ا م ل ا ن من ي ل د ي ن ي ن ي ا ي ا م ي ا ل ل د ي ا ن م ا ل ي ن من ا ن دني من ا ل ا ل ي ا م في ل د د ي ا ن ة الديانة ي ا ل ي ا ن ة من في ا ل في ا ا ف ل ي ن م ي ن ة من ن ل ي ا ي ن ว่ารฟนี่งานข้อให้ฉันยังห่งจากมันดูริยาล ي و و ر حيث เาเนวัดดีดีนี่เป็นผลคำนัดในสิ่งดีดีที่สุดแม้ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามดีกว่าละหมาดฮะจัดหน่ยฮะดีสของละหมาดซีคารอนี่ันต้อูบุคคลเลยมุสลิมฮะดีสละหมาดฮะจัดเนี่ยผู้ใดต้องการผู้ใดประสงค์อะไรก็ให้ละหมาดสองรกาัแล้วก็ขอบันตูอหมัดจะเป็นหะดีสดอี ละหมาดหายัดนี่ก็คือละหมาดแล้วก็ขอในสิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่รู้ละแผนของ Allah จะเป็นยังไงฮะอยากได้อ่ะฉันอยากได้อ่ะอันนี้ละหมาดหายัดหายัดแปลว่าอะไรห า, หาจัดหาจัดแปลว่าสิ่งที่ต้องการต้องอยากได้อ่ะทำไมเราละหมาดหายัดก็อยากได้อ่ะ แต่ละหมัดอิซิคอเนี่ยเมายลมดอิซิอรให้อัลลเลือกในสิ่งที่โอ้โอความสวยงามและอันนี้มันตบุครมุสลิมและนุรู้จิตใแน่นอนและนเลยอมัดฮาิด้อยควรี่จะปฏิบัติงันไหนที่สาคัญที่สุดนี่ในร่งมารยาทของดูอาเนี่ยเราขอต่อรัสุภาวอนอาลร โดยที่เราไม่รู้ว่าคลังของ Allah แล้วก็ใจบนเดียว a า l a h จะให้เราเนี่ยมีแค่ไหนอ่ะนะฉะนั้นเราอย่าเป็นคนง่แล้วก็ฟันธงในสิ่งที่เราอยากได้อย่างเดียวทำไมอะ่ะเพราะสิ่งที่เราอยา ก, ยากได้นี่นะมันอาจจะแค่เดียวเทียบแล้วกับสิ่งที่ a ล l a h อยากจะให้เราอ่ะนะโอ้มันยิ่งใหญ่กว่านั้นอา้า แล้วก็ไม่เอ า, าที่ฉันจะเตรียมให้อะที่ฉันเตรียมว่าจะให้แล้วอ่ะเนี่ยเอาเนี่ยอยากได้อ่ะขอสาวคนนี้เนี่ยสมัครห้าจุดนี่อยากได้คนเนี่ยอยากได้คนเนี่ยฮะแต่ที่จริงเนี่ยเราเตรียมเตรียมไว้เรื่องดีคนดีกว่านี้นี่หลายร้อยเท่าแต่ก็อยากได้คนไออยากได้กันมาลายาเดเร่งขอดูอาเนี่ยเผื่อไว้นิดนึงว่า อัลลอฮ์มีความปรดปรานที่พระองค์นี่จะให้เราเนี่ยแน่นอนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการให้เรานี่ดีกว่าที่เราอยากได้ดีกว่าที่เราอยากได้ยิ่งถ้าเราขอไว้นะมอกหมายในสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยไว้ในฟะตลุลละเนในความปรดปรานของอัลลอฮ์ไม่ใช่ความต้องการของเราพอเทียบแล้วระหว่างความต้องการของเรา ความปรุดปลานั่นแหละความปรุปรานั่นแหละยิ่งสูงกว่ายิ่งใหญ่กว่ายังแน่นอนสัตว์นนละหัวนะนะมูฮัมมัดอัละลาะอัลียุซาบีอุสเลมสลลมอะลัยคุมุอะลัมุตุลลอฮตบ่อน้ำนี้ยังอยู่ยังอยู่บิอบัดรย่แต่เขาเขาก็คือตลอดราว่าเขาก็เริ่มขุดขุดมากขึ้นนะนะตอนนั้นมันเป็นบ่อเล็กเป็นตาน้าเล็ก